ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าลูกหลานที่รักวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนรกต่อไปเอเมื่อวันก่อนลุงปู่ไปจบตรงไหนนะที่จะจำไม่ได้ลุงปู่แก่นะแต่ไม่เป็นไรทับหน่อยก็ ย, ยังดีเปลงา ว, ว่าวันนี้จบเรื่องขพระเจ้าีนมีราช เพว่าตลวงปู่ไม่อยากจะเล่าให้นานไม่อยากจะถ่งเวลาหลังจากเรื่องนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องมโหสถแม้มโมโหสถนี่ลูกหลานที่รักสนุกเรื่องมโหสถนี่เกี่ยวกับการใช้ปัญญานะลูกหลานอย่าลืมเที่ยงสนะจ๊ะถึงเวลาก็ฟังรับฟังกันจะได้ดูว่าโอ้คนโบราณบบราณ น, นี่คือมีปัญญาดีอย่างนี้เขาไม่ใช่แบบงโ ง, โงนะ เราฟังคนที่มีปัญญาเราก็เกิดปัญญาไปด้วยฟังต่อไปนะจ๊ะวันนี้จบแน่ท่านพาท่านพาไปดูสัตว์นรกที่ถูกนายนิริบาลจับโยนลงไปในบ่อซึ่งเต็มไปด้วยฐานเพลิงแล้วก็ใช้อาวุทธทิ่มแทงท่านบอกว่าสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ประพฤติตนไม่ดี ชอบละเมิดลูกเขาเมียเขายังได้ใช้กรรมอย่างนี้ไอ้ละเมิดลูกเขาเมียเขาก็คือผู้ชายเจ้าชู้ไงให้ลูกเขาเนี่ยนะถ้าพ่อแม่เขาไม่อนุญาตผู้ปกครองอนุญาตไปร่วมรักไม่ได้นะลูกหลานที่รักตกนรกขุมนี่เมียเขาก็ไม่กันวันก่อนนะั้นไปจบเอาตอนที่ผู้หญิงเจ้าชู้มีผัวแล้วก็ยจะไปเที่ยวยุ่งกับชายอื่น แล้วคนนี้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่เลือกลูกเขาเมียใครจะนึกว่าลูกสาวเขาตกลงด้วย้วโอเคเนี่ยไม่ได้ทำพ่อแม่เขาอนุญาตก่อนผู้ปกครองอนุญาตก่อนต่อมาท่านมาตรีเทพะสารถียิงเด้นนำพระเจ้าในมีราชมาทอดพรเนตนะยังไม่หมดมันดูยังไม่หมดนะ ก็พอดีมีเทพประบุตรองหนึ่งเขาไ้แจ้งว่ามีเทวบัญชาเจ้าพระอินทร์ให้เชิญสเสด็จไปเจ้าในมีลาศไปเทวโลกโดยเร็วนี่ใคขคอซะแล้วจะดูนรกใหเยอะๆซะหน่อยแม่แต่ว่าที่ให้ไปโดยเร็ว เ, เพราะอะไรเพราะอวันเวลาของนรกกับสวรรค์เนี่ยมันไม่เหมือนมนุษย์หลานแล้ว ล, ลูกหลัก มนุษย์นั่นแต่หาว่าเป็นมนุษย์ผมใหญ่นะเก้าอ่ามันเท่าไม่จะเป็นเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสําหรับเทวดานี่ก็สําหรับเทวดาชั้นจาตัวมหาราชห้าสิบปีของเราเป็นหนึ่งวันดาวดึงนี่หนึ่งร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันชั้นยามาสองร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันชั้นดุสิตสี่ร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวัน เท่า น, นิมมาแล้วดีแปดร้อยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขานะี่ะแล้วเป่า น, ปนิมิตว่าสวัสดีนี่พันหกร้อยปีของเราเป็นห น, นึ่งวันนี่ได้พาเที่ยวเพลินได้ลบไปวันเดียวนะกันดู ก, ก็เด็กไวปเหลือพระเจ้าในมีราชเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังเขาจะตายหมดพระเจ้าในมีราชมีบุญนี่ไม่อาจจะยังไม่ตายก็ได้ แลกลับไปพวกเก่าๆตายหมดพูกเดิมเือแด่เด็กๆเกิดใหม่มันก็ไม่รู้จักพระเจ้าในมิราชมันก็จะยุ่งกันประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพระอินทร์ท่านจังมีเท ว, วัญชาให้เทวัญดามาเชิญมาบอกกับมาตาลีที่ภาษาถีว่าว่าจะมัวชมเพลินไปนะว่าเดี๋ยวคนที่ก็นั่งคอยอยู่น้นมันจะตายซะหมด ให้เชิญสเสด็จพระเจ้าในมิราชไปเที่ยวเมืองเท ว, วดาดูบ้างไปเร็วๆอย่าไปชา้าวันนี้หลวงปู่ก็เลยไปเร็วๆเหมือนกันจะได้จบเร็วๆท่านมาตะ ล, ลีเทพประสะที่เที่ทุนทูลพระเจ้าในมิราชว่าบัดนี้มีเทวัญชาจาาเท้าโกสีสักเทวราชสุเอีนให้รีบสเสด็จไปเทวโลก การทอดพระเนตรสัตวนรกเห็นเนี้ต้องยุติเพียงเท่านี้แล้วไปเจ้าค่ะแล้วท่านมาตลีเทพประสารธีก็ชักรถมุ่งหน้าไปสู่เทวโลกเห็นไหมคนนี่ท่านดีที่อย่างบูชาเขาก็อยางสรรเสริญอย่างหมดเทวดาเขายังสรรเสริญอย่างบูชาถ้าไอคนเดวเลวชอบนินทาชาว บ, บ้านชอบเบียดเบียนชาว บ, บ้านท่องล้างฝันชาบ้านธรรมเทศชาติอี่พิพายมันไรเนี่ ไอ้คนประเภทนี้สัตว์ในรกมันยังด่าเลยถ้าไปแย่งที่มันเนี่ยแล้วพาคนลงนรกมาเอ า, เ ล, าเล่าต่อไปเดี๋ยวก็จะหาว่ดาด่าชาวบ้านเมืเ่อพระเจ้าในมีราดเม่เเด็จไปสู่เทวโลกได้ทอดเป็นเน ธ, ธินิ ม, มานองนานเทพิดาชิ ว, วาวารุณี มียอดห้ายอดหประดับประดิเกลมันมีมีสวนมีสระน้ํามีต้นกัระเบริศึกไอ้ต้นกัระเบริศึกเนี่ยมันนึกอยากเอาเงินก้อนใดอยากจะเอาทองก้อนใดอยากจะเอาแหวนก้อนใดอยากเอาเสื้อกางเกงก็ไนใดเขาเรียกว่ากัระเบริศึกถ้าเรียกง่ายง่ายเนี่ยต้นไม้สารพัด น, นึกในทอดเป็นเนตเห็นแล้วนางเทพธิดาวารุณีนั่งอยู่ มีนางเทพเอาศอนขึ้นนางฟ้านางสาวสวรรค์พันหนึ่งพันแม่ล้อมอยู่ท่นนทานเลตตาถานท่านมาตาลีเทพประสานถีว่าเทพพินดาวารณีนี้ได้ทํากรรมอะไรไว้จึงได้มาเกิดในทีน่นี้ท่านมาตลีเทพประสานถีก็กราบทูลว่านางเทพพินดามีนามวารุณีนี้สมัยเมื่อเธอเป็นมนุษย์ เป็นสาวชช้ของพราหมณ์ผูหนึ่งแม่นี่เป็นคนใช่นะลูกนะนางได้ก็ทําหน้าที่จัดอาสนะในบ้านอาสนะก็คือที่นั่งนะ่ะผ้าปูนั่งโต๊ะปูนั่งเก้าอี้สําหรับนั่งจัดอาสนะในบ้านของพราหมณ์ให้แก บ, บรรดาพระภิกษุที่ไปเทศที่ไปฉันที่ไปเยี่ยมที่บ้าน แล้วก็ถวายสลกักกพัดสลกักกพัดหมายความว่าเวลาที่เขาจะทําบุญกันเขาไม่เจาะจงพระรูปใดรูปหนึ่งเขาทําสลาดแล้วก็มีเลขไว้ว า, างมณ้หนะ้พระเราจับถูเลขอะไรตรงกับพระองค์ไหนบัพถวายองค์นั้นอย่างนี้เขาเรียกสลกักกพัดนางได้บริจาคทานใช่หไหมจ๊ะจะให้ทานอย่างลูกห ล, ล, ลานไปโรงเรียนแล้วไปเที่ยวเพื่อนไม่มีกินก็แบงให้กินบ้าง เพื่อนไม่มีใช้ก็แบ่งให้ใช้บ้างหิ้งก็ทานก็สงเคราะห์เห็นสุนัขมันหิวก็เอาเอาขนมเอาข้าวให้มันกินบ้างอย่างนี้เขาเรียกให้ทานแล้วก็รักษาสิ่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกชาวบ้านไม่ลักไม่ขโมยใครไม่ยื้อแย่งคนรักของคนอื่นไม่โกหกมด่เท็จไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุรามีไร ไอ้สุรายของกลัน่นเมลัยเขาหมักดองอย่างน้ำตาลเมาน้ำขาวโอ้เนี่ยเขาเรายียกเขาเรียกเมลัยไอ้ที่เขากลั่นมาแล้วเขาเรียกสุรายไอ้เฮโร อ, อีนกินยาฝิ่นโซคาชาอย่เป็นต้นนางจึงได้นานรักษาสินจึงได้มีวิมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมไอ้สวยแจ้าอิมานเป็นแก้วทำไม่ยากนะจ๊ะเป็นเป็นเทวดานี่ทำไม่ยาก ทำสมสบายเป็นคนดีเช่หน่อยลักนางคนดีแล้วท่านมาดาลีเทพบัลถีได้พาพระเจา้าเนมิราชไปทอดระเนตห์วิมานของเทพบุตรและจึงทูลกรรมที่เทพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําแต่เถวหลัลงให้ทราบแต่ลําดับดังนี้ทนี้เขารวบแล้วนะว่ามีวิมานทองแสงสว่าง เหมือนก็แสงอาทิตย์อ่อนมองดูสวยเทพบุตรในวิมานนั้นประดับบรรดาไปเพื่อประดับเกล้าพรมีแสงแมววาววับแล้วก็มีเทพพินดาผลัดกันเปล่งกันมาเฝ้าท่านบอกว่าเทพบุตรองค์นี้เมื่อสมัยเป็นมนุษย์เป็นผู้มีอันแยกกินหมายความพอมีสตังบ้างไม่ลำรวยนักสร้างกุฏิถวายพระสงฆ์ แล้วก็แล้วก็ตั้งนิตยพัตค์คำว่านิตยนิตยพัตน์นี่หมายความถวายทานเป็นปกติแล้วข้าวไปให้มนแล้วก็ล้มไปให้บางต่างกำลังไม่หมากนักบำรุงพระสงฆ์ผู้อาศัยที่กุฏินั่นเป็นประจำถวายผ้านน่นถวายอาหารเสนาสนะคือที่อยู่เช่นเตียงต่างเป็นต้น ถ้าถวายแต่เกียงถวายแสงไฟฟ้าอะไรก็ตามแสงสว่างรักแสวโบโสถตสินพ ว, วันพระยังได้มีวิมานอย่างนี้ลูหลานพอทำได้ไมจ๊ะเข้าใจว่าข้อต้นทำง่ายนะจ๊ะแต่ข้อนี้ไม่แน่ถ้าไม่แน่ก็ไม่เป็นไรไอ้ยังวาุณีก็อย่างดีต่อมาก็พ า, าโมวิมานแก้วผลึก แก้วพลึกเป็นไงทางคุณพ่อคุณแม่นะก้นโปรก็จำมาคุณได้สูงยี่สิบห้ายอดโอ้โหสูงจังเป็นแก้วพลึกมีราคาสูงกว่าเพชรตั้งเยอะสูงยี่สิบห้ายอดมีสาวทาได้แก้วเจดียการโอ้โหมหาสรรอุกหลานที่รักเฮ้ย<ม>แก้วเจดียการราคามันเท่าเม็ดเท่ามันเท่าตามแมวนี่นับเป็นสิบเป็นร้อยร้อยล้านในราคานี่ย มีกระดิ่งห้อยอยู่ ร, บรอบๆมีธงทองธงเงินปักไวยมีสวนดอกไม้มีสระน้ำมีน้ำเทพสวรรค์พลลำขับร้องอยู่ตลอดเวลาเทพระบุตรในวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์รักษาศีลให้ทานมีสัจจะมีความไม่ประมาทจะมีวิมานอย่างนี้รักษาศีลนะจ๊ะ แล้วก็รู้จักให้ทานมีสัจจะหมายความพูดตรงไปตรงมาสัญญากับใครอย่างไงก็เป็นตามนั้นเรื่องจริงอย่างไรพูดตามนั้นมีความไม่ประมาทหมายความว่าไม่ยอมละความดีระวังศีลให้บริสุทธิ์พยายามให้ทานไปเสมอระวังถ้อยคำของพูดระวังสัญญา อย่างนี้จึงได้มีวิมานอย่างนี้แม่น่ากูจะไม่จบมัง่งหูหลันเอเดียวบบลัดแม่นิว ๆ, ๆไปเลยนะแล้วต่อไปก็พาไปชมวิมานแก้วมณีสูงเนิ่งงานมีเทพประุตรอยู่เสียงกึกก้องไปด้วการขับร้องฟ้อนรำเพื่อคมดนตรีไภัยราะจับใจ ย, ยิ่งเรงกล่าวว่าเทพบระบุตรเหล่านั้นเมื่อเป็นมนุษย์ ได้ก่อสร้างอารามคือสร้างวัดแล้วก็ทำคลองให้มีน้ำไหลเล็กๆ ก, ก็ได้คลองเล็กๆ เ, เป็นรางน้ำแล้วก็ทำสะพานถวายจีวรถวายอาหารยารักษาโรคเคราะห์น่เสนาสนะแก้วันดาพ ร, พระสงฆ์ในจิตเรียมใสเึงได้มีมานอย่างนี้ถ้าตอไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่จบ แล้วต่อมาก็มาชมวิมานแก้วผลึอีกวิมานหนึ่งเก้าผลึกนะมียอดไหล ย, ยอดมีสวนปกคลุมไปได้วยดอกไม้นานาชนิดมีแม่น้ำสายสะอาดไหลรินอยู่รอบๆวิมานมีนางอบสอนห้อมร้อมอยู่เหลือหลายเทพบุตรนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้สร้างอารามคือสร้างวัด สร้างบ่อน้ํา ส, สร้างสะสร้างสะพานในบริจาคทานสาสนักษาศีลอยู่เสมอจึงได้จึงได้วิมานอย่างนี้แล้วก็ต่อไปชมวิมานอีกวิมานแก้วไปิทูนมีแสงแก้วไปโทนเลยเย็บระยับออกจากฝาวิมานมีเสียงตะพลติง้งเถียงติ้งปะติ้งเถียงเลยนะ มีเสีงงยงค้องอย่างไพเราะจับใจท่านบอกวา่าเทพบุตรองค์นี้เทพบุตรสวิมานนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติเช่นเดียวกบยับเทพบุตรวิมานอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันนะสร้างบอ่อน้ำสร้างอะไรพวกนัน้นต่อมาท่านมาตาลีเทพบาสรถีเห็นว่าถ้าจะล่าชา้าเกินไป มันจะนานเกินไป้าชมแค่นี้ก็พอเพราะเป็นตัวอย่างที่นี่กราบทูลพระเจ้านนยมีราชวา่าข่าแต่ท่านมหาราชเจ้าค่าแต่ท่านมหาราชเจ้าที่อยู่ของสัตว์นรกผู้ทากรร ม, รมชั่วพระประธานที่อยู่ของคนที่ทำความดีรองก็ได้ทรงทอดประเนตเห็นแล้วพอสมควรแล้วสองสามแห่ง ขอเชิญองค์สนเด็จไปสานักของท่านพระอินทร์เปเจรข่คแม่นี่เป็นพระอินทร์เอ๊ไปหาพระอินทร์เลยเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วก็ขับเวทยานรถต่อไปได้ผ่านภูเขาใหญ่เจ็ดลูกผ่านสวรรค์เช้นจาตุมหาราชผ่านเขาจิตตะโกตรซึ่งมีรูปพระอินทร์ปรากฏอยู่ จากนั้นจึงผ่านเข้าไปดูประตูประตูเทพนครแล้วจึงเข้าไปสู่สุธรรมสภาสุธรรมภสรรมภาคือที่ประชุมเทวดามือสภาของเรานี่แหละนาทสภามันดาเทวดาที่นั่งคอยพระเจ้าในมีราชเมื่อทราบว่าเสด็จมาแล้วต่างก็ถือของหอมเครื่องอบกับดอกไม้ของทิพ ไปคอยรับสันเดชตรงทางที่จะสเสด็จมาถึงเห็นไหมคนดีที่อย่างเทวดาญ ย, ยังเคารพเลยเมื่อพระเจ้าเนมิราชสเสด็จมาถึงโมเทวดาก็เชิญพระองค์ให้สเสด็จลงจากเวทยานตราชรถเข้าโซเทวสภาพระอิงก็ทูลเชิญให้ประทับนั่งบนที่พระอาฐบรรดาเทวดาทั้งหลายได้กราบทูลด้วยความยินดีว่า ข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์สเสด็จมาดีแล้วเสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้ขอพระองค์จงสเสด็จประทับเสวยที่ประสมบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่ที่ที่ประอาจอันเป็นที่อยู่ขอหมู่ท ว, วันไดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเถิดนี่มันดีที่อย่างนี้จะให้อยู่บนสวรรค์ทั้งทั้งที่ยังไม่ต้องตายจากความเป็นมนุษย์ อ, อืคนดีลูกหลานที่รักเลย พยายามทำตามอย่างพระเจ้าในมีราชนะอย่างนี้ไม่ทันจะตายเทวดาก็ยังเชิญให้นั่งถ้้อยู่บนนั้นถ้าใคถามว่าถ้าอยู่บนนั้นจะตายไม้มก็ต้องตอบว่าไม่ตายหรอกจกว่าจะหมดผลบุญบุมีร่างกายทั้งหมดถ้ารับรองเมื่อไรร่างกายจะเป็นทิพย์ทันทีเอาเรว่ากันต่อไปพระเจ้าในมีลาชได้สดับดังนั้นจึงได้ทรงตรัสว่า สิ่งที่ได้มาก็เพราะผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิแก่ตนนี่ไนนะม่นะให้หมายความที่การมาคราวนี้พระองค์ไม่ได้ ม, มาเองก็พระสายเอารถไปรับรถที่ไปรับจึงมาได้ฉะนั้นทรัพย์สมบัติในเทวโลกนี้ือว่ายังไม่ได้สิทธิไม่ใช่สิทธิของตนจริงๆมอมฉันไม่ปรารถนาสิ่งที่คนอื่นให้มอมฉันจะทํา เองและจะได้ไปและจะได้และจะได้ไปเพื่อสียงที่เป็นสิทธิทหม่อมฉันที่เป็นกรรมสิทธิขงม่อมฉันหมายว่าจะทํามันขึ้นเองการที่จะิบแบ่งสมบัติของเทวดามาให้เนี่ยไม่เอาอํานาจของความดีอย่างนี้ตัวเองทําได้ฉันจะต้องทําอย่างนั้น เมื่อมอมฉันกลับไปมนุษยโลกหมอมฉันจะบริจาคทานจะรักษาศีลจะสํารวมินทรีส์สํารวมินทรีย์คือเริร่มรวมตาตาไม่ยินดีของทั้งหมดหูไม่ยินดีในเสียงไม่ควาาตาดีหูดีใจดีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไม่ว่าอะไรไม่ประทุษร้ายคนอื่นในตา เห็นตาแล้วก็ไม่ช้าหูได้ยินก็ไม่ช้านี่เป็นต้นในส่วนบนที่สีเพื่อให้ได้รับผลของความสุขอันเป็นสิทธิของหม่อมฉันอย่างแท้จริงนี่หมายความว่าท่านเห็นสวรรค์แล้วนี่แหมเรื่องเล็กๆนี่แมมเขาทำหน่อยๆเขายังมาได้ที่ท่านทำู่แล้วมันก็มีสิทธ์เท่าๆกันพระเจ้าในมิราชเมื่อประทับบนสวรรค์ชันดวดึงได้เจ็ดวัน เจ็ดวันในมนุษย์นะเจ็ดวันในมนุษย์นี่บนดาวดึงไม่กี่นาทีเพราะร้อยปีของมนุษย์จึงเป็นหนึ่งวันในเทวดาในในชั้นดาวดึงเจืองได้อำานาจบรรดาเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร์เป็นต้นกลับสู่จะกลับจากเทวโลกเมื่อสเสด็จมาถึงเมื อ, มองมิจฉาเนคร ยังได้รงไปชมรัสันดอนเนื้อตัดเล่าเรื่องที่พระองค์ได้ผ่านพบเห็นมาตั้งแต่ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ในรกแล้วก็ทิมบายชุ ม, มีมารบนสวรรค์ให้ราษสร ด, ดอฟังแล้วก็ตสรุปว่าถ้าหากว่าผู้ใดต้องการจะไปอยู่วิมานก็ขอให้พระพุทธตนชอบบริจาคทานรักษาศีล หมายความว่าทำตนในชอบบริจาคทานคือให้ทานแล้วก็ชอบภาษาสิ่งได้ดีในอย่างกัมพันดาท่านประชาชนนั่นหลายในะที่ช่วยกันสงเคราะห์คนยากจนอย่างที่ล้มปู่ตั้งอล้มปู่ได้รับพระบรมราชานุมัติจะเพิ่มบาทรสมเด็จจีหัวให้ตั้งส่วนสงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุททกรกันดารเนี่ยเราให้ทานไม่จำ ก, กัดในเป็นเทวนาแบบนี้สบสบาย โร้านมีอะไรนิดๆหน่อยๆมียาหน่อยๆมีขนมนิดๆก็มามาประสงค์ก็กได้นะไม่ต้องมากจะได้ไปอยู่สวรรค์อย่างพระเจ้าเนมีราชเทวีดาพวกนั้นสําหรับพระเจ้าเนมีราชครองราชสมบัติโดยชอบธรำตลอดมาจนวันหนึ่งพระภูสามาลากราบทูลว่าคนตัดผมขอเดชะเวลานี้เกษารององค์ออกแล้วพระเจ้าค่ะ พระองค์ยังรับสั่งให้ถอนพระเกศาสงหงอกนั้นมาดูนถอนล่นแนบตรงคำแล้วก็วางบนประหัตทอดประเนตหินพระเกศางหงอกเช่นนั้นเจียงสรดพระไทยคิดว่านี่เราแก่แล้วนะออกบทดีกว่าจึงออกบททันทีทรงเรียกราชโอรสมาตัดถามมลูกรักพ่อจะขอมอบราชสมบัติให้แก่เจ้า พ่อต้องการจะบวชแนะ่เห็นไหมท่านพ่อท่านแก่เพราะผมงอต้องกระบวตลูกพ่อแก่ผมงอ ก, กรบวตเหมือนกันราชรถทูลถามว่าข้าแต่พระราชีดาทําไมพระองค์จะสมนุนที่เล่าพระเจ้าค่ะพระเจ้าเนเวลาจึงตรัสว่าเทวทูตปรากฏกับพ่อแล้วคําว่าเทวทูตคือเทวดาสแสดงก็หมาที่ว่าผมงอตนเอง เพราะมันแก่แล้วคือผมบนทิศขาของพ่อเนี่ยมันงอกความนมของพ่อหมดไปแล้วจริงถึงคราวที่พ่อจะต้องบทแล้วหมาเลิกกันนาทีนะแก่แล้วก็บวผโถเอ้าเมื่อพระเจ้าในมีราชมอบราชาชสมบัติให้แก่พระราโชรสเสร็จแล้วก็ส่งออกคหนโดคือบวเจริญพรหมวมิหาร ลมีหารก็คือจิตนึกมีความรักอยู่เสมอไม่เกลียดใครแล้วก็สงสารเกื่อคุณเขามีความสุขอารมณ์ไม่อกฉาที่เสียใครให้ใครได้ดีก็พอจะดีด้วยแล้วก็ทำใจวางเฉยเมื่อคนอื่นทำให้ไม่ถูกใจไม่โกรธใช่ไหมยนนี้เรียกว่มีหารสี่แล้วก็ธรรมภินญยาสมาบัติคือเจริญสมาธิ แล้วได้พิญญาสามารถจะเหาะเหินในอากาศได้มีลมิตรได้มีหูเป็นทิพย์แล้วก็มีตาเป็นทิพย์รู้ใจคนอืนน่นลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกกันว่าพิญญาเดีย๋ยวนี้ก็ฝึกกันได้เยอะแยะแล้วนะลูกหลานที่รักพระภิญญาเนี่ยเขาเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกกันสนุกสนานนู้นเยอะ ไอ้ที่ที่เล่ามาในหนังสือเนี่ยของเล็กน้อยนะยังแหม่ถ้าไปชมเองมันสวยเหลือเกินเขาทํากันได้เยอะอย่าไปคิดว่างมงายในลูกหลานที่รักนอกจากคนตาบอดหูโงกเท่านั้นจะพวกตากระทูหูกระท่านี่แหละมันบอกเกาไม่มีไอ้ตากระทูมองอะไรไม่เห็นหูก็ท่ามองอะไรไม่ได้ยิน ในเจ้าพวกที่แมวดีมันก็เหมือนตามันก็เหมือนตากระทูหูมันก็นหูก็ถคล้ายคล้ายความเป็นจริงลงมโป่ขอโตอันนี้ขอสู้เต็มที่ว่าถ้าใครเก่งจริงเคยเชิ ญ, ชญมาทดลองและต้องทำตามสั่งให้ได้นะจะพบสวรรค์พบนรกจริงๆเวลาต่อมาปรากฏมาถึงเวลาสวรรคตถึงเวลาตายท่านก็ไปเกิดบนชั้นเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นเทวลก เป็นนั้นมาเรื่องนี้มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดจบพระองค์ก็ทรงตัดอริยสัจสี่กับรรดาพระบิสฑษสมถันหลายแก่คนผู้รับฟังเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเองนะท่านบอกว่าคนเกิดแล้วมันมันทุกข์ทุกข์มาเพราะความอยากคือตัณหา อยากมีผัวอยากมีเมียอยากจะคดโกงชาวบ้านเขาโกรธจะอยากโกรธชาวบ้านอยากจะทำร้ายชาวบ้านเขาแล้วหลงโ ม, โ ม, โ ม, โมัวเมาตนเองคิดว่าตนจะไม่ตายนักสนะเช่นนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่เพื่อความสุขขอให้คนทุกคนตัดโลภความโลภใดยการให้ทานพยายามตัดความโกรธในการอักสาศิน ตัดความโมเมาในชีวิตโดยใช้ปัญญาพิจิเนที่พิจารณายอมรับน้ำถือกฎของธรรมดากฎธรรมดาที่คนเกิดมาแล้วก็คือหนึ่งเรามีความเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะล่วงพ้นความแก่เป็นได้เราจะต้องมีความป่วยไขย้ไม่สมบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะลวงพ้นเปนได้ เราจะต้องมีความความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วมพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพลาดาจกของรักของชอบใจทั้งสิ้นเราไม่สามารถจะร่วมพ้นไปได้เรามีกรรมเรื่องของตัวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างพระเจ้าในมิราชสมเด็จพระบรมโลกนนาทเทพจบระและคนนี่ฟังก็เป็นอรหันต์กันเป็นแถวแล้วพระองค์ก็ทรงประมวล พระมนชตินะว่าคนสมัยนั้นพระอินสมัยนั้นเวลานี้มาเกิดเป็นพระอนุรุตในสมัยพระ อ, องค์นะพระหลับมาตลีเทพสารธีก็มาเกิดเป็นพระอนนทพระเจ้าเนมิราชมาเป็นองค์สมเด็จโตสมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริวยัยของพระเจ้าเนมิราชพระราชด่นทั้งหมดก็มามเป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้ 阿拉ลูกหลานที่รักมองดูเวลาเลยครึ่งนาทีพอดีก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชบรมการสัตว์ขอลูกหลานที่รักของหลวงปู่ทุกคนจงเป็นคนดีอย่างพระเจ้าเนมิราชและบุญแล้วก็พระสนดรของพระเจ้าเนมิราชลูกหลานทุกคนจะมีความสุขทั้งในชาตินี้และชาติห น, น้า阿拉สําหรับวันนี้ก็จบเรื่องพระเจ้าเนมิราชปรมกษัตริย์แล้ว ขอลูกรักและหลานรักผู้มีน้ำใจใสเป็นแก้วและมันดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ูณผลได้จงเจริญไปด้วยเจ้าุริภิตาพรชัยทั้งสี่ประการเมีอายุวันนาสุขาพระละและปฏิพันหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็คอยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุประการสวัสดี